ใจที่น้อมไปในบาปพระพุทธพาสิทธะพิธาเรถะกัลยาเนปาปาจิจังนิวารเยดันทางหิกะรัตโตปุญญังปาปัสมิงระมติงมะโนแปลความว่าควรรีบทําความดีรีบห้ามจิตจากบาปเมื่อทําความดีช้าใจย่อมน้อมไปในบาปอธิบายความบาป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 พระบรมศาสดาจึงตรัสว่าสเจเพายะทะลุสะสเจโวลุคามัปปิยังมากะทะปาปะกังกัมมังอวิวายะลิวาระโหถ้าเธอทั้งหลายกลัวความทุกข์ถ้าความทุกข์เป็นที่รักของเธอทั้งหลายซใจขอเธอทั้งหลายอย่าได้ทําบาป ท, ทั้งในที่แจ้งและในที่ลับในที่บางแห่งตรัสว่าที่ลับสําหรับผู้ทําบาปนั้นไม่มี เพราะไม่ว่าที่ใดแม้ว่างจากผู้อื่นก็ไม่เคยว่างจากตนตนย่อมรู้เห็นเป็นพยานอยู่เสมอว่าชั่วหรือดีจริงหรือเท็จความกล้าในการทำบาบนั้นเป็นความกล้าที่ไม่ดีจึงไม่ควรกล้าคนไม่ทำบาปเพราะรังเกียจบาท่านเรียกว่าคนมีฮิริไม่กล้าทำบาปเพราะกลัวผลอันธารุณของมันท่านเรียกว่าคนมีโอตตปะฮิริและโอตตะปะทั้งสองอย่างนี้ เป็นธรรมช่วยคุ้มครองโลกช่วยทำโลกให้สะอาดคนไม่มีฮิริโอตปยจอมหาโอกาสทำบาปได้เสมอคนกล้าแท้จริงต้องเป็นคนกล้าสาบบาปคนเราเกิดมามีอวัยวะทุกส่วนทั้งภายในและภายนอกเหมือนกันทำไมบางคนจึงปรากฏแก่ผู้อื่นเสมือนมีกลิ่นเหม็นบางคนปรากฏแก่ผู้อื่นเสมือนมีกลิ่นหอมอยู่ในตนคำตอบก็คือเพราะพวกแรกแปกเปื้อไปด้วยบาป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 ย่อมมีอนุภาพในการล้างสิ่งที่แปดเปื้อนด้วยสิ่งโสโครกให้สะอาดนอกจากนี้ยังมีคุณประโยชน์อย่างอื่นอีกมากมายสุดจะพรรณนาให้หมดสิ้นว่าโดยส่วนผลหมายถึงความสุขสมพระพุทธภาสิทธิทว่าภิกษุทั้งหลายเธออย่ากลัวบุญเลยคำว่าบุญนี้เป็นชื่อของความสุขบุคคลเมื่อทาบาบย่อมทาด้วยกายวาจาใจชันใด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 ทางชริยศาสตร์พยายามแก้คือความพอใจเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดของการกระทาของมนุษย์จริงหรือความดีเป็นสิ่งพึงปรารถนามากกว่าความพอใจจริงหรือความพอใจกับความสุขต่างกันอย่างไรเราหมายความอย่างไรเมื่อกล่าวกันว่าฉันควรประกอบการกระทาบางอย่างหรือต้องยอมรับนับถือกฎบางอย่างเช่นการรักษาสัญญาเป็นต้นฉันควรยอมหยุดภายใต้กฎข้อบังคับ เพื่อสวัสดิภาพของฉันเองหรือเพื่อคนอื่นถ้าอย่างนั้นอะไรเล่าคือสัสดส่วนอันถูกต้องระหว่างสวัสดิภาพทั้งสองอย่างนั้นเสรีภาพแห่งความคิดหรือเจตจำนง freedom of will หมายความอย่างไรความรู้สึกหรือเหตุผลเป็นผู้นําอันถูกต้องของความประพฤติคําว่าความดีความถูกข้อบังคับหน้าที่มโนธรรมเป็นต้นหมายความอย่างไรทั้งโดยทฤษฎีและทางปฏิบัติ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 ย่อมมีร่องรอยอยู่ในจิตใจเสมอสิ่งนั้นจะกลับเป็นผลมีอิทธิพลต่อชีวิตต่อไปเรื่องนี้พระศาสนาทรงสแสดงที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารบ พ, พรามณ์ชื่อจูเลกะสาดกผู้ต้องต่อสู้กับกุศลจิตและอกุศลอยู่เกือบตลอดคืนมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องพรามณ์จูเลกะสาดกในเมืองสาวัตถี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 แพ้ผลัดกันชนะอยู่เช่นนี้ตลอดเวลาปฐมยามและมัธยมยามพอถึงปัจมยามคือประมาณที่สองลงแล้วเขาคิดว่าถ้าปล่อยให้มัเฉรจิตครอบงมอยู่อย่างนี้คงไม่พ้นจากอบายสี่เป็นแน่แท้อบายสี่นั้นได้แก่นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเรียกอวัยภูมิแปลว่าพวงของสัตว์ที่มีแต่ความทุกข์ยากลาบาก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 พามได้ถวายผ้าสาดอกคู่นั้นแด่พระศัส ด, สดาซิอีกพระราชาจึงพระราชทานให้สองคู่สี่คู่แปดคู่และสิบหกคู่โดยลําดับพรามได้ถวายผ้าเหล่านั้นทั้งหมดแด่พระศัสดาพระราชาพระราชทานให้อีก32สองคู่ข่าวนี้พรามได้เก็บไว้สองคู่เพื่อตนคู่หนึ่งเพื่อพญญาอีกคู่หนึ่งนอกนั้นได้ถวายพระศัสดา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 ผ้านั้นดีเกินไปไม่เหมาะสมแก่ตนจึงนำไปทำผ้าเพดานไว้ในพระคันธกุฎีของพระสัสดาผืนหนึ่งอีกผืนหนึ่งทำเพดานไว้ที่บ้านของตนในห้องที่นิมนต์พระสงฆ์มาฉันเป็นประจำเย็นวันนั้นพระราชาประสิทธิเสด็จไปเฝ้าพระสัสดาทอดพระเนตรเห็นผ้ากำพลนันโทนถามว่าใครนามาบูชาพระศัสดาตรตัสตอบว่าพรามอาสาดก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 ภิกษุสาวกของพระพุทธมีพระภาคทราบเรื่องนี้แล้วสนทนากันในธรรมสภาว่าพราหม์เอกสาดกถวายทานในเนื้อนาอันดีให้ผลมากในวันนี้ทีเดียวน่าอัศจรรย์แท้พระศัทสลาเสด็จมายังธรรมสภ า, าทรงทราบเรื่องที่ภิกษุทั้งหลายสนทนากันแล้วจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายถ้าพราม์ถวายผ้าสาดกตั้งแต่ปฐมยามเขาจะได้ของอย่างละสิบหก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 ภิต ะ, ะเรธะกัลยาเนเป็นอาทิมีนัยะดังพนานามาแล้วแต่ต้น